สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเรากลับมาในวันจันทร์แล้วเป็นวันจันทร์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานพระพรมาให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ใน20กฎทองคำนำชีวิตที่ดีงามและกลมกืนสมัณฉันนะครับของศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงเรามาอยู่ในกฎข้อที่16นะครับและก็ข้อย่อยข้อที่สาม การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เพราะว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับการอธิษฐานทูลขอของเราในขณะเดียวกันครับเรื่องราวในการทูลขออธิษฐานนั้นจะต้องอธิษฐานเพื่อคนอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองได้รับพระพรอธิษฐานเพื่อคนอื่นอธิษฐานเพื่อคนอื่นแต่ตัวเองกลับได้รับพระพรมีสองเรื่องครับที่เป็นประสบการณ์เรื่องแรกคือประสบการณ์ของดาวิด ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสรุรปดีบทที่35ข้อ13นะครับดาวิดนั้นได้เขียนบรรยายถึงสิ่งที่ท่านได้อธิษฐานความดังนี้ว่าส่วนข้าพระองค์เมื่อเขาป่วยข้าพระองค์สวมภากระสอบข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยการอธิษฐานทั้งหมดที่ข้าพระองค์ทูลขอนั้น ได้กลับคืนมาที่จอกของข้าพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อกษัตย์ดาวิดนั้นอธิษฐานเผื่อคนอื่นซึ่งตรงนี้ครับก็คือศัตรูของเขาเผื่อคนชั่วครับเมื่อคนชั่วป่วยกษัตว์ดาวิดอธิษฐานเผื่อเขา เมื่อศัตรูของกษัตริย์ดาวิดป่วยกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานเพื่อเขาท่านบรรยายว่าข้าพระองค์สวมผ้กากระสอบข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยกันอดอาหารทั้งหมดที่ข้าพระองค์ทูลขอนั้นได้กลับคืนมาที่จอกของข้าพระองค์พี่น้องครับประโยคสุดท้ายภาษาไทยไม่มีนะครับทั้งหมดที่ข้าพระองค์ทูลขอนั้นได้กลับคืนมาที่จอกของข้าพระองค์ด้วยใจที่รักในพระเจ้าด้วยใจ ที่ยกโทษให้อภัยศัตรูดาวิดขอพอรให้ศัตรูแต่พี่น้องจะเห็นนะครับว่าพระพรนั้นไม่คู่ควรกับศัตรูครับพรที่ขอนั้นจึงกลับคืนมาสู่ตัวเองโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นได้นะครับว่าการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้นแต่ตัวเองได้รับพระพรแทนนั่นคือประสบการณ์ของดาวิดครับประสบการณ์ที่2เป็นประสบการณ์ของโซโลโมอน แต่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษัตร์บทที่3าข้อที่เถึงข้อสิสครับพจาของพระเจ้าบันทึกอย่างนี้ครับว่าขอทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างความดีความชั่วโซรลมอนทูลขอเช่นนี้เป็นที่พอพัยพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้ และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวความมั่งคัง่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูแต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเองเพื่อให้ประจักษ์สิ่งใดถูกและเป็นธรรมดูเถิดเราจะกระทําตามคำขอของเจ้าเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศพี่น้องครับกษัตย์โซโลมอนนั้นอธิษฐานขอเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ อธิษฐานขอเพื่อที่จะให้ท่านเองนั้นมีความเข้าใจจะสามารถวินิจฉัยตัดสินความของประชากรของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนอื่นครับแต่ในที่สุดเราเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นทรงทรงพระกรุณาต่อกษัตริย์สมบพติมากมายพี่น้องครับพระเยซูสอนเราเช่นกันครับว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิบทที่6กข้อส3พี่นุงครับการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้นหารู้ไหมครับว่าตัวเราจะได้รับพระพรนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจครับหลายครั้งทีเดียวเราไม่กล้าหรือเราไม่ยอมอธิษฐานเผื่อศัตรูแต่เราก็ไม่ค่อยอยากอธิษฐานเผื่อคนอื่นเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ยอมเสียเวลา เราา จ, จะยังไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นหรือเรายังไม่มีแพชชั่นก็คือเรายังไม่มีภาระใจครับเรายังไม่มีอะไรที่กระตุ้นที่อยากจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั่นแหละครับคือความอ่อนด้อยอ่อนแอของชีวิต ฝ, ฝ่ายจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้เมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้นะครับขอให้เราลุกขึ้นมาอธิษฐานเผื่อเกิด จ, จักอธิษฐาน เผื่อพี่น้องของเราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ยังไม่เชื่ออธิษฐานเผื่อที่ผู้ที่เรารักอธิษฐานเผื่อพันธกิจอธิษฐานเผื่อแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าจะขยายออกไปข่าวประเสริฐจะถูกเผยแพร่ออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะดํารงสถิตยอยู่ในชีวิตของคนละเปี่ยมล้นในชีวิตของคนอีกมากมายพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการอธิษฐานเผื่อคนอื่นพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราควรจะรู้ครับว่าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้น ตัวเราเองก็จะได้รับประพอไปด้วยขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นวันนี้ผมจะไม่พูดยาวแต่ขอให้เราจะมีเวลาอธิษฐานเพื่อคนอื่นนะครับอธิษฐานเผื่อพริ ก, กิจของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนที่เราไม่รักไม่น่ารักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้า <c oughs> พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ในเช้า ว, วันนี้ ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายได้รู้ความจริงขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้อ ภ, ภัยความผิดบาปของข้าพงษ์ทั้งหลายที่ไม่ได้รู้ความจริงและไม่ได้มีใจรักพันธกิจของพระเจ้าเพียงพอไม่ได้มีใจรักในคนอื่นๆเพียงพอและที่สำคัญคือข้าพงษ์ทั้งหลายไม่ค่อยมีความรักในศัตรูในคนชั่วร้ายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดที่จะให้ภาระใจให้แรงบันดาลใจ โปรดประทานแพชชั่นในชีวิตของข้าพุทธิหลายให้มากขึ้นด้วยเพื่อที่มูลหลายนั้นจะได้รู้ใจของพระองค์และสัมผัสหัวใจของพระองค์สัมผัสน้ำมันไทยของพระองค์และให้สิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ในชีวิตนี้จะสําเร็จเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้ามีอยู่ทั่วไปพระองค์ได้ส่งสัญญาให้กับข้าพุทธิ์นั่งหลายอย่างไรเมื่อข้าพุทธิหลายเชื่อฟังและทําตามพระองค์ก็ทรง โปรดประทานตามชอบพระไทยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอปรนนาตัวของข้าพง์ทั้งหลายตอบเบื้องพระพักของพระองค์ขออวยพรผู้ที่ฟังพร ะ, พจพระเจ้าฟังเสียงธรรม ญ, ญาจากสิทธ์ยิบาลทุกๆ ท, ท่านให้ได้รับการทรงนำของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้งานมากมายให้เป็นผู้ที่นำพระพรไปถึงคนอื่นๆมากมายให้เป็นผู้ที่อธิษฐานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อชีวิตของคนอื่นเพื่อ ให้คนอื่นนั้นเขาจะได้รับพู้พรอมากขึ้นข้าบงทั้งหลายขอยอมรับและเชื่อฟังน้ำมันไทยของโปรงเพราะวัจนะของโปรงในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดนำพาตลอดทั้งวันนี้ให้ได้รับการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ชีวิตของข้าพ้างหลายนั้นจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะทรงเห็นว่าดีและสัต์ซื่อขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพมาลายต่อไปด้วย กราบทูลอธิษฐานในพระ น, นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ